เก็บทุกเม็ดเข้าใจไหมยากไหมไม่ยากบังคับสิยากแต่เราคิดว่าบังคับเน่ยดีไอ้ตัวยากกลายเป็นว่าตัวที่จะปรับมุมมองของเราอย่างไงให้เห็นว่าจริงๆแล้วไอ้ที่คิดว่าดีแต่เดิมนั่นะไม่ดี <G ül> ไอ้ที่คิดว่าประคองเอาไว้เพ่งเอาไว้พรอยากให้สุ kn นา น, านๆอยากให้สงบนานๆอยากให้มันดีนานๆ ทํำยังไงจรึงจะดีจะมีคําถามนี้ในใจนะทําไงจะดีทําไงจะสงบทําไงจะสุขคําถามนี้เป็นคําถามหลวงเป็นคําถามที่เกิดในใจแล้ะลวงเราให้ไปในทางปฏิบัติในทางที่ที่ไม่ตรงเพราะคิดจะเอาดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรซึ่งไม่ถาวรมันมีแต่ที่ขายซ่วมบุญถาวร มันมีแต่ชื่อเฉยๆแต่ความถาวรอย่างนั้นไม่มีมีมีใครทำงานที่นั่นบ้างปาเอาไม้หน่อย <c oughs> ขอไม้หน่อย